ga watto rato sama sambuhatsa na wo tatsa awato rato sama samhatsa nasa teka watto ato ni atami dibase seni พุทธปริสายะกาจิธัมมิกถากถิยเตสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆติอิมัสสะธัมมปริยายัสสะอัตโถสาธายัสสะมันเตหิสกัจจังธัมโมโสธัมโม 8 ค่ำแห่งสุครปัฏ เป็นวันธรรมัสสวนะฉะนั้นพุทธทัมมามกะบริสัตต่างก็ได้ปรึกภารกิจ จบล่มด้วยดีแล้วในโอกาสต่อไปนี้ กายวาจาจิตของยิ่งยิ่งขึ้นไปวันนี้เป็นวันพระ 8 ค่ําขึ้นเดือน 11 พวก 3 เดือนไตรมาสก็เหลืออีกเพราะฉะนั้นใครก็ตามวันพระ 78 วัน ดังที่ตั้งใจส่วนบุคคลผู้ที่มีความสามารถในเบื้องต้นก็ ที่ติดตั้งไว้ในเบื้องๆขึ้นไปก็ย่อมจะ อ่าในทางวัดของเราได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกขึ้นเป็นกรณีพิเศษ พระองค์ท่านตั้งอยู่ในฐานะ ตลอดถึงได้มีความรู้ในทางพระ ด้วยคุณความดีคุณความดีอย่างที่พวกเราได้ในพระภายของพระ พระมหากรุณาธิคุณนั่นเองล้นพ้นนั่นเองถ้าไม่เช่นเป็น ที่ยึดเหนี่ยวภายในจิตใจของเรากล่าวคือ ดังนั้นท่านจึงนั้นท่านจึงอยู่ในฐานะที่เสมือนถึงว่า ก็เสด็จออกบวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรมคือทางพ้น พระองค์ก็ได้ทรงสลบไสล เผยแผ่คำสั่งคำสอนคือ 45 ปีแล้วก็เสด็จ ก็ได้ 80 ปีบริบูรณ์เมื่อพระองค์เสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้ว คำยังปรากฏสถิตมั่นในโลกสอนกล่าวคือพระธรรม ปัญหารูปสรรคเกิดขึ้นนั้นเริ่มแต่พระ เพียงแค่พระองค์เสด็จหลับขันธ์เข้าสู่นิพพาน ที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมีพระคําว่าคําจ่วงจากนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย กล่าวคำโทษจาบนั้นก็คิดหรือถ้าจะเป็นคําที่สกปรกก็ ทั้งทั้งที่ทุกประเด็นทีนี้คําที่ว่า ดอกไม้จริตหนึ่งดอกไม้สวรรค์เค้าเรียกว่าดอกมณฑา พระมหากัสสปาจึงได้ถามว่าเธอนั่นน่ะได้ดอกไม้นี้ ได้เล่นร่วมพระราชทานเพิ่มกันอยู่แล้วนี่ ผู้ที่ได้บรรลุโลกุตตรธรรมมีพระโสลาบันเป็น อย่างนี้เป็นต้นนี้เป็นต้นแต่มีภิกษุบวชในวัยชรารูปหนึ่งไม่ พระธรรมได้หลับสลายไปก็จะได้รับความเป็นอิสระ เสรีภาพเมื่อพระองค์ยังมีประชชนชีพอยู่นั้น ไม่มีใครคอยบังคับกำชับบัญชานี่ความหมายเป็นอย่างนี้ ถ้าหากว่าเราจะมาเปรียบเทียบกับความรู้ ทุกตัวอักษรลักขระพยัญชนะทุกบททุกบาตรทุกคถาก็ย่อมจะหนอองค์สมเด็จพระ 8 วัน ได้ผุดขึ้นมานี่ที่ก็เพื่อจะขอฝากกับพวกเราขึ้นมาเล่าสู่ด้วย หลักของพระพุทธศาสนาได้แก่ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาในแง่หรือ ไม่เห็นว่าไม่น่าจะผิดตรงไหนเลยบริสุทธิ์มี แหลมคมละเอียดอย่างลึกซึ้งละเอียดถึงที่สุดของแล้วมันย่อมจะทํา ทำให้พระพุทธศาสนานั้นต้องล่อยหลอเสื่อมโทมไปจากความบริสุทธิ์ความ ไปจากโลกคือในจากศาสนา 300 กว่าปีเศษเป็นการสังฆญาณหลาย เป็นโรงอุปถัมภ์พกถวายความสะดวกแก่พระสงฆ์จํานวน ศรัทธาเริ่มถ้าเราจะมองถึงประวัติอดีตของท่านนั้นในมีฝีมือเยี่ยมและก็มีพระไทยเข้มแข็งพระเจ้าอโศกมหาราช ไม่ว่าจะฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อสรุปความแล้วไปทางทิศใดศัตรู ได้มากเพียงนั้นนี่นะว่าเป็นนักนักลามฆามาเขต ทั้งส่วนภายในอันเกี่ยวแก่ภายในอันแก่มเหสีสนมหรือบริวารตามประวัติแต่เมื่อพระองค์ทรง ก็ร้ายกาจยากจะหาที่ผู้เปรียบได้ <Jub ilee> กินคราวของเลือดโดยสะอาดแล้วของเลือดโดยสะอาดแล้วทั้งกายวาจาใจ ได้พาก็เพื่อจุดประสงค์เสียเงินทองข้าวของแม้ ได้เห็นเป็นนิมิตระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือ ให้กว้างขวางออกไปยังนานาประเทศ นําพระพุทธศาสนามาประดิษฐ์ประดิษฐ์สถานยังภาคเอเชียได้แก่ประเทศไทยถ้าตามประวัติศาสตร์ของ สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วก็ศาสนาก็ได้วิวัฒนาการ แต่เตเป็นธรรมดาของมนุษย์ชาติทั่วโลกไม่ ยาบําบัดและเป็นสิ่งที่มองเห็นภัยไข้เจ็บมันก็พึ่งไม่ได้นี้เป็นที่อืมพึ่งไม่ได้ถ้า ให้ความอบอุ่นแก่จิตใจในขณะที่ใจนั้นเกิดความกลัวจะกลัวอะไร ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งใดหนึ่งเป็นเครื่องยึดถือไม่มีสิ่งที่ดีเป็นเครื่องยึดถือก็จะต้องยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีไม่ดีนั้นก็ค่อยว่ากันทีหลัง แล้วเราก็ไม่อยากจะตายน้ํามันดูดลงไปเมื่อไปสู่กระแสน้ํา หรือขยะเพื่อจะได้นี่หรือว่าเศษไม้อะไรก็ตามมันก็จะ อันนี้ฉันใดผู้ที่มีความจําเป็น ศาสนาผีนี่รวมความว่าเป็น ถือผีคิดว่าผีน่ะมันจะช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่เขาได้เขาจึง ตามวัดลังเจดีย์ลังเหล่านี้เป็นต้นยังมีการเส้นสรวงบ่วงสรวงอยู่ถึง แกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอัน โทษนั้นอาจจะมากมหาศาลถึงแก่ชีวิตผีก็เหมือนกันให้คุณๆทําๆแต่บางที ถ้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์นั้นมันถึงยากทําง่ายแต่ถึงยากไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเพียงแต่ หรือดอกไม้รากสีนาพันแต่ประการใดพระพุทธเจ้าไม่ต้องการพระธรรมเจ้า เทวดาคือใครคือใครภยินพระพูดผีปีศาจคือใครวิเศษกับพวกเราซึ่งเป็นมนุษย์อย่างไรนี่พวกเราถ้าหากว่าวิญญาณหลอกจากร่างมัน แล้วมีมีปัญญาจะเขี่ยออกให้ตัวเองนี่แต่นี่บิน เราถนัดชำชองในเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาในเชิงชั้นปริญญาไม่เป็นรู้แต่จักวิธีทําแต่ ศิลป์ 8 เป็น 227 เป็นไงรู้ละเอียดโดยทั่วถึงสมาธิอารมณ์กรรมฐาน 40 รู้หมดแต่ไม่เคยปรากฏว่านั่งปฏิกูลโสโครก แต่ปรากฏมันก็สอนเขาได้เพียงแต่แค่วิชาความรู้แต่ความเป็นจริงไม่มีอยู่ในตัวน้อมเข้ามาเจริญพัฒนาปัญญาภายในจิต 50% ก็ไม่ถึง มันปราศจากความหวานและหอมนี่เทวดาอินทร์พรหมก็ไปจากเราพูดผีหูทั้ง 2 จมูก กว้างศอกยาววาหน้าคือพวกเรานี่มันจะไม่วิเศษดีกว่าหรือมันอยู่ใกล้กัน ไปจากมนุษย์จากมนุษย์เรารักษาศีล 5 รักษาศีล 5 มันก็ไปเป็นเทวดาผู้มีกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์แต่ อิเลศกามนั้นมันก็เป็นกามที่หยาบวัสดุกามนั่นก็คือความยินดีรักใคร่พอใจแผ่ซ่านไปเต็มโลกโดยอาศัยตาของเราหู ที่เราเถ vời เสกริมลดกันอยู่ทุกวันนี่แหละไม่ว่าจะเป็น เพราะว่าตัณหาความอยากในความมีความเป็นวิภวตัณหาไม่ สิ่งที่มันมีอยู่กับเรานี่เราใช้ปัญญาเพิ่มทุกข์อีกไม่ เพราะฉะนั้นเพราะเกิดจากอารมณ์ที่ความไม่พอใจเห็นมั้ยล่ะเราทําลายสิ่งที่มีอยู่ๆเรามีลูกมีผัวเบื่อผัวคน ถ้าเราใช้สติปัญญาอีกทําลายความเบื่อหน่ายของและปรับปรุงสิ่งที่ สามารถปรับปรุงสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีไม่งามพิจารณาซึ่งได้กล่าวทิ้ง เจ้าโศกมหาราชในฐานะท่านมีพระเดชพระคุณแก่พวกเราได้ทรงพระอหันตสาวก 20:30 น. นเราจะ 20 หรือ 20 กว่ารูปเจริญพระพุทธมนต์พอสม ทางภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ภายในวัดและนอกวัดที่มา Pagavato arahato sama-sam-buddhatsa na'mo tatsa Pagavato arahato sama-sam-buddhatsa Na'mo tatsa Pagavato arahato sama sam Buddha-parisayaka-ci-dhammikatha-kathiyate ca pumbe dhagata punyata atasamma สัตตังธัมโมโสตะโบติณวดีเป็นวันธรรมมีดิติที่ 8 ค่ําแห่งกะระปกเป็นวันธรรมัสสวนะ ประจำสําหรับพวกเราพุทธมามกะบริษัททั้งสุขสมบัติทั้งในส่วนกาย ธรรมัสสวนะคือวันพระวันพระได้เวียนมาบัญจกพวกเราทั้ง มีการไหว้พระสวดมนต์สมาทานซึ่งเบญจเวรวิรัตน์ และจะเป็นเครื่องกรมรุ่มร้อนแม้ซึ่งมีอยู่ใน เกิดความกระหายในการประพฤติปฏิบัติ แล้วอุปนัยโกกายวาจาจิตของตดเข้ามาเพื่อเป็นการ ดังก็จะได้ส่งเสริมเพิ่มเติมโอกาสต่อของพวกเราท่านทั้งหลายนี้ก็ ความเป็นมงคลเป็นมงคลตามที่ได้ยกขึ้นเป็น ซึ่งแปลเป็นใจความว่าการที่อยู่ในปฏิลูประเทศคือประเทศอันสมควรหนึ่งความที่เป็นผู้มีความว่าการที่ จัดว่าเป็นมงคลอันอุดมหรือเป็นมงคลอันสูง ซึ่งเป็นผู้มีความสนใจใน ต่างก็พากันแสวงหาในมงคลหรือสิ่งอันได้ชื่อว่าเป็นมงคลแก่ เมื่อรวมความแล้วรวมความแล้วก็คงไม่พ้นไปจาก ยกเอาสิ่งใดเอาถึงสิ่งใดว่าเป็นมงคลใดไม่ทราบว่าๆก็น่า แตกต่างกันอย่างไรกันอย่างไรถึงจะไม่หยิบยก ของเราปุถุชนถ้าเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แล้วก็ให้เราไปดูท่านทั้งหลายคนคิดและคาดเมาเมา ไปจากคุณค่าหรือคุณานิสงส์สำหรับได้ผลและคุณค่าของ แต่ก่อนที่จะได้กล่าวถึงมงคลในคาถา เราผู้ฟังผู้ฟังซึ่งใคร่และปรารถนาในอันที่จะจดจําลําไปเพื่อพิจารณาให้ การบูชาบุคคลหรือท่านที่ควรบูชา 3 ประการด้วยกันการไม่คบคนผ่านคํา เป็นเรื่องของภายในก็น่าจะ คำว่าปัญญานี้จึงเป็นสิ่ง นี่เป็นคุณสมบัติภายในของคําๆชนผ่านนั้นจะ มีสิบประการด้วยกัน 10 มีการค่าสัตว์ด้วยกันความทุจริต 3 วจีกรรม 4 พูดปดส่อเสียด 3 โลภะ อยากได้ได้ซึ่งทรัพย์ของบุคคลผู้อื่นเบียดเบียนบุคคลอื่นและ ที่มีอยู่ทั้ง 10 ประการนี้แหละเป็น เพราะหรือถ้าเราจะอยู่ร่วมกับชนพาลใช่ว่าเราจะ นี่คือพาลชนพาลภายนอกพาลภายในได้แก่หัวใจ มานะทิฏฐิอิจฉาริษยาซึ่งมีอยู่นะภายในจิตใจของเรามีอยู่ณภายในจิตใจของ ให้เราเป็นผ่านยื้องเขา การไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ ไม่เพ่งเล็งละโมบในทรัพย์ของบุคคลผู้อื่นไม่ และมีปัญญาเป็นต้นอีกนานัปประการอันนี้ อันนี้แหละได้เพราะฉะนั้นว่าบัณฑิตการคบคล้า ได้แก่บิดามารดาครูอาจารย์พระราชามหากษัตริย์ทรัตนตรัยได้ อันได้จัดว่าเป็นพระรัตนไตยไร้ มีคติอันเที่ยงแท้แน่นอนต่อปฏิบัติการพ้นทุกข์ก็ยังไม่จัดก็เป็นสรณะประเสริฐ ทั้งหมดสิ้นเมื่อไรเป็นสรณะอันประเสริฐเพียงนั้นเพราะฉะนั้น สามกษัตริย์พระรัตนตรัยตลอดถึงสมมุติที่ 2 นี้เป็น แท้แน่นอนในคําว่าฟังฟังด้วยความลบฟังแล้วก็พยายามประพฤติ มองเบรามณฑลคุประชาจารย์พระราชามหากษัตริย์ตลอด บทคถาที่ 2 ความที่เป็นผู้วาสโสจะการที่ได้อยู่ ธรรมกถาที่ได้ยกขึ้นก็มีอยู่เพียงแค่นี้ยกขึ้นก็มีอยู่เพียงแค่นี้ต่อไปนี้ก็จะ มันก็ย่อมจะพูดได้ถ้าจะพูดให้กว้างคำว่าประเทศก็หมายถึงดินฟ้าอากาศและแผ่นดินถ้าเราจะพูดให้รวบรัดกระชับชิดเข้ามาควรแก่การเวลาคำว่าปฏิรูป และประกอบไปด้วยพระพุทธศาสนาที่ตั้งมาอย่างมั่งคนและ ว่าที่รูปประเทศภายนอกบุคคลมีพระราชามหากษัตริย์หรือพระ อันเกิดขึ้นจากนั่นแหละคือผลที่สูงสุดว่าฐานและศีล ทั้งหลักคําสอนและทั้งบุคคลที่จะทรงคําสั่งสอนนั้น ย่อมไม่ผลแก่ผู้ที่ประกอบความภาคความเพียรสม่ำเสมอต้นเสมอปลายต่างกันใช้ความโง่หรือความฉลาดของ ให้แก่ตนงงตนโดยถูกต้องตามฐานะที่ตน เทโสอาทิปฏิรูปเทมันก็มาจากอาทิเทโสเทสะปฏิรูเทโสตัวนี้นักปราชญ์บรรทัดท่าน นี่แหละแหละคือปฏิรูปประเทศคําว่าประเทศๆความดีทั้ง ประโยชน์ในโลกปัจจุบันอันนี้เรา เพราะ